ยาซีเรียเรื่องอยาแก้ไอพระนุ่มองค์หนึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาธรรมะ เอาพระไตรปิฎกมาอ่านมาท่องจนจำได้ขึ้นใจบวชอยู่ห้าปีแล้วจึงสึกออกไปมีครอบครัวปรากฏว่าชีวิตไม่มีความสุขจึงกลับมาบอกเจ้าอาวาสว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีไม่มีประโยชน์ดับทุกข์ไม่ได้หลวงพ่อก็เฉย ไม่ได้พูดอะไรต่ออาทิตย์ต่อมาหลวงพ่อไม่สบายเป็นหวัดไอเจ็บคอมีเสมหะ ก, ก็ให้เด็กวัดไปตามอดีตพระหนุ่มมาหาแล้วเล่าความให้ฟังท่านช่วยไปซื้อยาให้หน่อยชายหนุ่มรีบไปตลาดซื้อยาถวายหลวงพ่อ สองวันต่อมาชายหนุ่มแวะมาเยี่ยมหลวงพ่ออีกถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมยาที่ซื้อมาให้ไม่ได้ผลสงสัยซื้อยาผิดมาชายหนุ่มหยิบขวดยาขึ้นมานั่งอาชลาดังดังสรรพคุณแก้ไอแก้เจ็บคอขับเสมหะ หลวงพ่อไม่ได้อ่านฉลากเพื่อไงอ่านอ่านหลายครั้งจนท่องได้แล้วอ้าวแล้วทําไมไม่หายละ่ะหลวงพ่อไม่ได้กินอ่านฉลากอย่างเดียวใช้หนุ่มหัวเสียดูหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนี่ถ้าจะบ้าอ่านแต่ฉลากแต่ไม่กินยาแล้วมันจะหายได้ยังไง หลวงพ่อนึกได้ยิ้มดีใจอออจริงของโยมส่งขวดยามาให้หน่อยหลวงพ่อยกขวดยาขึ้นดื่มเสร็จแล้วพูดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนยาขวดนี้แหละโยมอ่านแต่คําสอนอ่านแต่พระไตรปิฎกแต่ไม่นำไปปฏิบัติ กแก่ทุกไม่ได้